ผมพอทราบมาบ้างนะครับมีรถส่งคนขึ้นไปด้านบนเนี่ยตกเขากันหลายคันเมื่อนับรวมกันหลา ย, ลายปีแต่ก็ไม่ค่อยมีคนรู้กันขนาดคนในตัวเมืองจันเองยังไม่ค่อยรู้กันเลยแต่ผมมีเพื่อนเป็นคนพื้นที่และอีกคนเป็นลูกเจ้าหน้าที่ป่าหมายที่นั่นมันก็เคยพูดให้ผมฟังว่ามีรถตกเขาด้วยส่วนตัวผมเองก็เชื่อ 50-50 ิา 50, อคนพื้นที่พูดให้ผมฟังถึงสองคน จนวันหนึ่งมันชวนผมเดินขึ้นจากเขื่อนไปถึงยอดเขาไม่รู้กี่กิโลครับขาขึ้นไม่ได้นั่งรถเลยเดินอย่างเดียวขึ้นตอนสามทุ่มกว่าๆถึงยอดตีหนึ่งระหว่างทางเดินขึ้นมีเพื่อนผมคนนึงสมมุติว่ามันชื่อ A มันเป็นคนเห็นพวกสิ่งลี้ลับบ่อยมากๆมันเห็นชายคนนึงใส่ชุดสีเทาอยู่ตรงอีกฟากหนึ่งของเขื่อนมันก็ไม่ได้คิดอะไรพวกผมยืนอยู่ตรงศาลครับคนเคยไปหรือคนแถานั้นจะรู้ก่อนขึ้นผมให้พยานเจ้าเอไว้ ไอเอนี่ตอนขึ้นทุลักทุเลมากครับสะดุดหนามบ้างผมเองก็ต้องเป่าถอนพิษออกแต่ก็ไม่ได้เอาหนาออกตอนเดินขึ้นแรกๆก็ไม่ได้เจออะไรสักพักหนึ่งผมมองเห็นรอยเท้าอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่รอยของคนมีสีนิ้วคล้ายสัตว์ตระกูลแมวและรอยเท้ามันยังใหม่อยู่ไม่น่าใช่รอยของเสือโครง่งเพราะมีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือของผมได้ประมาณครึ่งฝ่ามือรอยมันยังใหม่อยู่นะครับเป็นรอยบนดินเปียกๆ ตอนนั้นขึ้นไปก็มีลื่นกันบ้างประยุงกันไปผมก็เลยคิดว่าเขาเปิดเขาปิดป่านี่จะมีสัตว์เข้ามาได้ยังไงซึ่งคําถามที่ผมเคยถามเพื่อนที่เป็นคนพื้นที่ก่อนขึ้นเขาว่าเสือสมิงที่เขาคีจกูดเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากหรือเป็นคนเรียนวิชาสมิงมันตอบกลับมาว่าเป็นคนเรียนวิชาสมิงแล้วมันผิดคําครูแล้วก็ถามต่อว่าเขตป่าที่สมิงอยู่มันเป็นตรงไหนมันบอกว่าอยู่หลังจากเขาไป5กิโลผมนึกถึงคําถามพวกนี้ ที่ผมเคยถามมันไปแล้วทันทีรีบเร่งให้เพื่อนทุกคนขึ้นไปมีทั้งหมด5คนนะครับเดินต่อไปอีกสองวาเจอรอยเท้าของคนที่ไม่ใส่รองเท้าปะปนอยู่กับรอยเท้าของเสือตอนนั้นผมมั่นใจว่ามันเป็นเสือแน่ๆ แ, แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นมาได้ยังไงแต่มันไม่ใช่เสือธรรมดาแน่นอนผมก็เลยหยุดดูส่องไฟไปที่รอบๆก็ไม่เห็นอะไรผมก็รีบเร่งให้เพื่อนขึ้นไปกันต่อไอ้เพื่อนผมที่ชื่อเอนี่แหละครับ ที่ให้พา ย, ยานมันไว้เนี่ยมันเห็นหน้าชายที่ผมบอกวิ่งขึ้นตามมันมาอย่างรวดเร็วมากๆมันบอกว่าหน้าตาแกเหมือนฟกช้ำตาแดงกล่ำไม่ใส่รองเท้าวิ่งบ้างกระโดดบ้างตามมันมาอย่างเร็วมันรีบวิ่งแท็กผมเข้าไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรให้มันไปก่อนผมก็ต้องมาอยู่ด้านหลังแทนมันพอมันขึ้นไปได้สักพักผมรู้สึกว่ามีอะไรมาเบียดผมขึ้นไปจากทางด้านขวาเขาเบียดมาไม่แรงมากแต่เกือบสีหลัก ผมหยุดสักพักหนึ่งก็ดูว่ากระเป๋ามันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่พยายามข่มใจตัวเองไว้ว่าอย่าไปกลัวมันแค่เกี่ยวโดนอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้หรอกเพิ่งมาปฏิบัติรเรื่องตอนเช้าที่ลงจากเขาจากที่เพื่อนมันเล่าให้ฟังแต่ใจก็วันๆเหมือนกันตอนนั้นนึกถึงเสื้อหลวงพ่อคงกับชายพระถุงแม่ให้ช่วยปกปักคุ้มครองด้วยจังหวะนั้นผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดี ก็เลยรีบเร่งเดินขึ้นไปจนเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเดินต่อไปอีกประมาณ10กว่าจว่ๆเอมันก็ลื่นล้มลงดื้อซะงั้นผมก็เลยเดินเข้าไปประยุงมันขึ้นมาเอาน้ำให้มันกินแล้วก็มีพี่คนนึงเอายาดมมาให้มันก็บอกว่าตอนที่มันลื่นล้มไม่ได้ลื่นล้มเองคือตอนแรกมันสะดุดหิน แล้วมันจะล้มมันก็หาอะไรมาจับไว้กลับรู้สึกว่ามีคนดึงบริเวณหน้าแข้งของมันให้มันลื่นล้มลงไปนอนสภาพที่ผมเห็นคือขาข้างหนึ่งพับอีกข้างหนึ่งมันเหยียดอยู่รองเท้าหลุดออกข้างนึงผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรขึ้นถึงยอดก็ลงมาด้วยดีแต่ขาลงผมนั่งลดลงครับไปตรงตลาดหาอะไรกินไม่ได้เดินมาแล้วล้ามากๆผมไม่ได้กินข้าวเย็นก่อนขึ้นด้วยแต่คนอื่นมันกินกันอิ่มแล้ว พอลงมามันก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็เอาเรื่องมาประจิตประต่อกันก็พอเข้าใจนิดหน่อยเอเล่าให้ฟังว่าตอนที่พวกเราเดินขึ้นกันมามันได้ยินเสียงมันมีอะไรวิ่งมาเร็ว เ, วเสียงเหยียบกิ่งไม้ใบไม้ดังมาแต่ไกลด้วยความที่กลัวว่าเพื่อนทั้งหมดจะกลัวกันก็ได้แต่หันไม่มองแต่สิ่งที่เห็นก็คือชายใส่เสื้อสีเทาที่มันเห็นตอนอยู่ล่างเขื่อนพลางวิ่งพลางกระโดดนั่งยองยองจ้องมองพวกเราที่กําลังเดินขึ้นเขา ด้วยตาสีแดงกล่ำมันบอกมันตกใจมากจนลื่นล้มแล้วก็เป็นลมไปรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เพื่อนพยุงกันขึ้นมาใจตอนนั้นอยากกลับลงไปมากๆเพราะภาพของชายคนนั้นยังติดตาอยู่ผมก็เลยถึงบางอ้อเพราะเห็นอาการผิดปกติของเจ้าเอตั้งแต่มันลื่นล้มแล้วหลังจากกลับกันลงมาพวกเราก็ได้มาคุยกันกับสิ่งที่เอเจอว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพื่อนบางคนก็บอกว่าเป็นผีป่า บางคนก็บอกว่าเป็นเสือสมิงหรืออาจจะเป็นชายที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้